คนเราเวลาเจออะไรที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจเนี่ยความรู้สึกแรกๆที่ปรากฏขึ้นในใจของคนส่วนใหญ่ก็คืออยากกำจัดมันออกไปเช่นถ้าเกิดมีเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงหมาเห่าถ้าไม่ชอบเสียงนั้น มันก็อยากจะกำจัดเสียงนั้นหรือไปจัดการกับต้นเสียงที่ไม่ถูกใจเกิดมีต้นไม้หรือวัชพืชที่ไม่ชอบใจในสนามหญ้าหน้าบ้านความสึกแรกที่เกิดขึ้นคืออยากจะกำจัดอยากจะถอนมันถ้าถอนได้ก็ถอน เช่นเดียวกันนะบางคนไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบสัตว์บางชนิดที่มันอาศัยอยู่ในบ้านในกุดตินั้นความรู้สึกที่เด่นชัดคืออยากจะกำจัดมันออกไปทำยังไงก็ได้ถ้าทำได้้ดยนี้เนี่ยเวลาเรารื่ถึงเชื้อโรคหรือถ้าเกิด พบว่าที่ไหนมีเชื้อโรคปฏิกิริยาอย่างแรกคือหาทางกาจัดมันออกไปนี้รงไปถึงคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ถูกใจด้วยเช่นลูกน้องบางคนทำงานไม่ถูกใจมือนิสัยพฤติกรรมที่เราไม่ชอบก็อยาก กำจัดออกไปถ้าไล่ออกได้ก็ไล่ออกไม่ใช่แค่ลูกน้องอาจจะรวมไปถึงคนใกล้ตัวรอบตัวอาจจะหมายถึงเพื่อนบ้านถ้าเขามีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจก็อยากกำจัดออกไปให้พ้นๆแม้กระทั่ง ผู้ครองที่อยู่ด้วยกันมานานมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบระหน้าระอาหรือว่าจะสร้างปัญหาให้กับเราความรู้สึกที่เด่นชัดคืออยากกำจัดเขาออกไปจากชีวิตของเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกพื้นฐานเลยนะ ความอยากแบบนี้อยากกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจออกไปจากชีวิตหรือว่าจากประสบการณ์ของเรารความอยากแบบนี้เราเรียกว่าวิภวตันหามันต่างจากความอยากที่เรียกว่าการาตันหาหรือเพราะตันหา กามาตัณหานี่ก็อยากมีอยากได้อยากอยู่ใกล้ส่วนพัฒนาคืออยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้านายอยากเป็นคนดีคนเก่งมันมีลักษณะาการดึงดูดเข้าหาแต่วิภพอตัณหานี่มันมีลักมณการถอยหนีหรือมุ่งกาจัด ซึงมันก็เป็นรากฐานของโทสะอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ประสงค์เนี่ยถ้ากำจัดไม่ได้ก็อยากจะถอยห่างอยากจะหนีแต่ว่าส่วนใหญ่ความรู้สึกแรกที่มันเกิดขึ้นคืออยากจะกำจัดออกไป้นๆหน้าหรือออกไปจากชีวิตออกไปจาก ขอบข่ายปริมนทนที่เราเกี่ยวข้องซึ่งมันก็นำไปสู่การกระทำหลายอย่างซึ่งเป็นปัญหาอาจจะนำไปสู่การเบียดเบียนายถึงขั้นะละเมิดศีลข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือถึงแม้จะไม่ถึงขั้นนั้นนะก็อาจจะเกิดการเบียดเบียนทะเลาะเบกแวงกันรื่งน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์อะไรที่อยากกำจัดแล้วมันกำจัดไม่ได้ก็ทุกข์มากไงเช่นเสียงเนี่ยเสียงที่ดังขณที่เรา นั่งอยู่ในสาลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราทำอะไรกับเสียงนั้นไม่ได้แต่ใจเนี่ยมันมุ่งกำจัดเกิดความไม่ชอบเกิดความสืบเป็นปฏิปักอยากผลักไสแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความุโกรธเกิดความโกรธ บางอย่างมันทำไปก็ไม่เกิดผลอย่างเช่นเชื้อโรคเนี่ยแต่ก่อนเมื่อสักห้าสหสิปีก่อนเนี่ยสมัยที่วิทยาศาสตร์กำลังนะกลังรุ่งยาปฏิชีวนะนะสามารถที่จะกำจัดเชื้อนานาชนิดได้วัคซีนสามารถจะกำจัดโรคที่ทำให้คนล้มตายกันมากเช่น ไอ้ทรพิษโรคไอกรนคอตีบมวยตะกอนนี่ตายกันเยอะเลยนะเด็กๆแต่ว่าวัคซีนนี่มันสามารถจะกําจัดโรคเหล่านี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีแทบจะไม่มีเด็กตายเพราะโรคแบบนี้แล้วคนก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเราสามารถจะกาจัดเชื้อโรคออกไปจากโลคนี้ได้ต่อไปนี้จะไม่มีใครตายเพราะโรคติดเชือ้อแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเชื้อมันก็จะจักปรับตัวมีวิวัฒนาการไอ้เชื้อเดิมก็กำจัดได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีภูมิต้านทานแต่นี่มีเชื้อใหม่ออกมาอีกอเช่นโควิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามานทุกขเราก็รู้แล้วว่าจะกำจัดเชื้อให้หมดไปจากโลกเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ทำได้คืออยู่กับมัน โดยมีภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามในความอยากหรือความปรารถนาที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะเป็นความปรารถนาความอยากพื้นฐานคนเราและสิ่งที่ไม่ถูกใจเราสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่อยู่นอกตัวเรานะมันยังอยู่ในใจของเราด้วย คือความคิดและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอย่างต่ำๆก็ความฟุ้งซ่านอันนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดแต่อารมณ์นี่มีเยอะยะไปหมดความโกรธความเกลียดความอิจฉาความเบื่อความเซงความหนักอกหนักใจความเครียด เมื่อคนเราเวลามีความคิดหรือความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจเนี่ยปฏิกิริยาอย่างแรกที่เกิดขึ้นนั่นคือความอยากจะกําจัดมันออกไปเราไม่ใช่แค่อยากจะกําจัดสิ่งนอกตัวที่ไม่ถูกใจในสิ่งที่อยู่ในจิตใจก็เหมือนกันนะ ในความอยากที่จะกําจัดมันออกไปมันก็มีอยู่เรียกว่า 100% เซ์เลยแต่ปัญหาคือว่ามันกําจัดได้ยากกว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวไอ้ลูกน้องที่ไม่ถูกใจเราที่เราไม่ชอบนี่เราอาจจะไล่ออกได้ก็จะพืชที่เราไม่ชอบเราก็จะถอนได้ ตุกแกที่เราไม่ชอบเราก็สามารถจับมันเอาไปปล่อยที่อื่นได้หรือบางทีก็ฆ่าทิ้งมันถ้าจิตใจโหดเทียมหน่อยแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจนี่มันกำจัดไม่ได้ไ ง, ง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมีความคิดความปรารถนาอย่างนี้ ถ้ามียาที่จะระงับดับความเครียดได้ก็ซื้อหามามีวิธีอะไรที่จะช่วยกำจัดความเบื่อความเซ็งได้ก็ไปหามาจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมแต่ส่วนใหญ่หรือว่าถ้านทั้งหมดไม่ได้ผลนะนะอาจจะได้ผลชค่วคราว แต่ว่าผลข้างเคียงก็ตามมาเยอะหรือว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นอย่างพวกยาเสพติดพวกนี้เนี่ยมันก็ที่มันมีเสน่ห์เพราะมันคนคิดว่ามันสามารถจะช่วยกำจัดอารมณ์บางอย่างความเบื่อหน่ายความรู้สึกสังกตายความเครียด แต่ว่าสุดท้ายก็สร้างปัญหาใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมอันนี้ไม่น่าถึงความปวดนะปวดโน่นปวดนี่เดี๋ยวนี้คนติดยาระงับปวดมากทีเดียวเพราะว่าเวลามีความปวดเกิดขึ้นมาก็หวังพึ่งยา แล้วก็พอใช้ยาไปเรื่อยๆก็ต้องเพิ่มโดสเพิ่มความแรงของยามากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นติดยาไปเลยคนติดยาเพราะว่าเป็นผลมาจากความเจ็บปวดนี่เยอะมากเลยนะแล้วก็ตายเพราะอยาเสพติดพวกนี้เนี่ยกันมากมายทีเดียวหรือเพราะในอเมริกา เพราะว่าในความปรารถนาที่จะกําจัดความเจ็บปวดออกไปนะจากร่างกายหรือจากชีวิตรวมทั้งอารมณ์อย่างอื่นด้วยแนะทังเวลาเรามาภาวนาเข้ามาทำกรรมฐานเนี่ย หลายคนก็เมาด้วยความรู้สึกเนี่ยนะอยากจะกำจัดอยากจะจัดการกับความคิดละอารมณ์ต่างๆทุกเพราะใจมันฟุ้งมากความคิดเยอะก็อยากจะดับความคิดนะเวลาภาวนา ม, มีความคิดเกิดขึ้นที่ไม่ได้ตั้งใจคิดก็พยายามกาจัดนะ ถ้าห้ามคิดได้ก็ยิงทำได้ก็ทำแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็พยายามกดข่มมันอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาจะจัดการกับมันอย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็เกิดความทุกข์ทุกเพราะหนึ่งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบมัน เกิดความสึกต่อต้ามันสองทุกเพราะว่ากาจัดมันละมันไม่หายเกิดความผิดหวังและสามพอทำหนักขึ้นกดคมมันขึ้นเล่นงานมันหนักขึ้นก็เกิดผลตามมาคือเครียดหนักกว่าเดิมบางทีเกิอดอาการข้างเคียงปวดหัวแน่นหน้าอก บางคนมีอาการเหมือนซอมบี้เลยเพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าไนยิ่เพ่งเข้าไนเพราะว่ามันคอยจ้องจะจัดการกับความคิดที่ไม่ปรารถนากับอารมณ์ที่ไม่ปรารถนายิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ยิ่งอยากให้มันดับอยากให้มันหายมันก็ยิ่งฟุ้งเลิด อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนจำนวนมากที่มาภาวนาสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเท่ากับความปรารถนาที่จะกําจัดมันไอ้ตัวเนี่ยคือปัญหามากกว่าก็อย่างที่หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านได้พูดเอาไว้นะเตือนเอาไว้เนี่ย อันความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยอย่าอยากหายเพราะมันคือตัวสมุทัยที่เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นถ้าอยากเนี่ยให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่แสดงกับกายและใจเพราะนั่นแหละคือตัวมรรคมรรคก็คือตัวทางออกจากทุกข์ยิ่งอยากจะให้ความ ฟุ้งหายอยากให้ความฟุ้งดับก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปอ่ะแถมมีความหงุดหงิดตามมาอยากให้ความโกรธดับให้ความโกรธหายแล้วไปกดข่มมันก็ยิ่งหงุดหงิดหัวเสียเข้าไปอ่ให้เรารู้เถอว่าเนี่ยไอ้ความอยากชนิดนี้มันเป็นตัวสร้างปัญหากับเรามันเป็นความอยากที่ ติดมานะจากการที่มุ่งกาจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่ชอบใจที่อยู่รอบตัวเราเห็นใครไม่ชอบใจเห็นใครที่ทำแล้วไม่ถูกใจก็อยากกาจัดทอ้ไปพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจภายในใจก็ใช้วิธีการเดียวกัน มันก็กลับสร้างปัญหาแต่ถ้าว่าเราลองเปลี่ยนใหม่นะแทนที่จะมุ่งกำจัดก็แค่ยอมรับมันมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของมันเราไม่ไปสู้รบตบมืออะไรกับมันไม่รวมรันพันตัวกับมันไม่ต่อแย่มันต่างคนต่างอยู่ หรือว่าดูมันเฉยๆแค่รู้มันเฉยๆรู้ว่ามันมีอยู่ก็พอแล้วหรือว่ายอมรับมันไม่ต้องไปกำจัดมันอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะแกชีวิตก็สุขสบายดีทั้งครอบครัวทั้งอาชีพการงานสามีก็ดีลูกก็ดี ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่พอเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยห้าสิบชีวิตเริ่มเบื่อเริ่มเซงรู้สึกสังกตายขาดชีวิตชีวาทีแรกคิดว่าเป็นเพราะเคมีในร่างกายฮอร์โมนในร่างกายมันแปรปวนไปพอเข้าสู่วัยกลางคน ไปตัวแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่การก็หนักขึ้นเกิดอาการตื่นตหนกตกใจนอนไม่หลับสุดท้ายก็ไปหาจิตแพทย์โชคดีก็ได้จิตแพทย์ที่เข้าใจแทนที่จิตแพทย์จะให้ยานะก็กลับพูดคุยกับคนไข้และสิ่งหนึ่งที่จิ ต, จตแพทย์ทาก็คือให คนไข้เนี่ยพูดออกมาดังๆสามครั้งว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกสังกตายได้แม้จะเป็นเ ป, นเปนหายหายไปทั้งชีวิตอันที่แลกเธอไม่ยอมนะพูดไม่ได้ใจมันต้านเพราะลึกลืมก็อยากจะกําจัดความรู้สึกสังกตาให้หมดไปจะอนุญาตให้มันอยู่ได้ยังไงให้มันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่พอหมอคาดคันแกก็เลยพูดนะบอพูดนี้ก็เรียกว่าต้องต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะพูดได้สามจบประโยชน์สั้นๆแล้าก็มีอาการนะทางกายนะหมอก็ถามอาการทางกายเป็นยังไงบอกรู้สึกปวดเกรงที่ท้องรู้สึกคลื่นไส้อ่อนๆรู้สึกเกรงที่คอแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยมันอันตรายไหม มันเป็นภัยต่อเธอหรือเปล่าเธอบอกก็ไม่หรอกก็ธรรมดาแล้วหมอก็เลยให้ดูเนี่ยให้ลองสังเกตตัวการสังกตายเนี่ยมันเป็นยังไงดูเฉยเฉยไม่ต้องตีค่าให้ค่ากับมันดูแล้วเป็นไงมันเป็นปัญหาไหมเป็นอะไรกับเธอวมันสร้างปัญหากับเธอไหม เรอวอรที่เล่าเนี่ยเป็นปัญหาแต่ที่จริงมันก็แค่กวนใจเฉยๆมันไม่ได้เลวร้ายอะไรหมอก็เลยแ น, น่าเนี่ยให้ลองไปดูมันยอมอ น, นุญาตให้มันเกิดขึ้นได้บอกว่าภายหลังเนี่ยพี่กุญญนี้เนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแ่าจะผิดหวังนะที่มาหาหมอแล้วแต่ความรู้สึกสังไตา ย, ยังอยู่แต่รู้สึกเบาสบายนะรู้สึกเบาสบายขึ้น เพราะว่ายอมรับมันได้แล้วก็คือไม่มีอาการต่อต้านความรู้สึกสังกายังอยู่นะแต่ว่าเธอไม่ทุกข์แล้วเพราะใจไม่ต่อต้านเพราะใจไม่คิดจะกำจัดยอมรับมันได้แล้วพวกเราคงจะมีอารมณ์หลายอย่างในใจนะที่มันที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ ใจจรงเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นหรอกแต่เป็นเพราะใจเรามันพยายามใจเราไม่ยอมรับอารมณ์เหล่านั้นพยายามกำจัดมันแม้จะมาภาวนาเราอาจจะไม่ต้องถึงขัง้นไปหาจิตแพทย์อาการไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเรามาภาวนานก็จะต้องมีอารมณ์หลายอย่างความคิดหลายชนิดที่มันเกิดขึ้น แล้วถ้าเรายังเอาความเอาวิธีการเดิมๆมาใช้ก็คือพยายามกํำจัดมันเราจะเป็นทุกข์มากเลยไอตัวอารมณ์ความคิดเราเนะี่ยจะไม่ทาให้เราทุกข์มากเท่ากับความปรารถนาที่จะกาจัดมันอย่างที่เราสวดทุกเชา้าเนี่ยมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็นเป็นทุกข์ พอคาดหวังจะให้มันหายอยากจะกำจัดมันพอมันไม่หายไม่ไ ม, ไม่ไปเนี่ยก็เป็นทุกข์แต่เราเปลี่ยนมาเป็นยอมรับมันดูมันเฉยๆแบบชื่อกรูบาจาว่ารู้สื้ๆให้ความทุ่มก็จะหายไปนะไม่ใช่ว่าความอารมณ์เหล่านี้จะหายไปมันไม่หายไปอาจจะไม่หายไปแต่ว่าใจเราเบาสบายขึ้นเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ย ที่เบสบายนี่ไม่ใช่เพราะมันหายแต่เพราะว่ายอมรับมันได้นี่คือความยากของการปฏิบัติควรไปตั้งควรไปเข้าใจว่าเนี่ยปฏิบัตินี่ต้องไม่มีความคิดต้องไม่มีอารมณ์และพอทำพอจะให้ทำพอจะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับกายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราลองมาฝึกว่าเออยอมรับมัน มันจะเป็นจะมีจะเป็นความเบื่อความเซ็งความหงุดหงิดความโกรธหรือกิเลสนานาชนิดแต่ถ้าเราแค่ดูมันเฉยเฉยไม่หลงเข้าไปเป็นมันไม่ไปผักใสไม่รวมรันพันตูวกับมันเราก็ไม่ทุกข์นะ หลวงพ่อช้านเคยพูดว่าเนี่ยให้ภาวนาเนี่ยไม่ใช่ให้กิเลสหนีให้กิเลสไปจากเราหรือให้เราไปจากกิเลสแต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติเหมือนน้ำกับใบบัวน่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าน้ำก็ไม่ซึมเข้าใบบัวอย่าไปเวลาภาวนาเนี่ยหรือทำกรรมฐานไม่ใช่ว่าจะให้กิเลสหมดไปจากใจหรือจะให้ ใจเราเนี่ยห่างไกลาจากกิเลสสิ่งที่ทำได้และคนททำคืออยู่กับมันเหมือนน้ำกับใบบัวต่อยู่ด้วยสติอันนี้ก็รวมถึงความทุกข์ด้วยนะความทุกข์เนี่ยอย่าไปคิดกําจัดมันแต่ว่าทำไงจะอยู่กับมันถ้าอยู่กับมันได้ ใ, ใจก็ไม่ทุกข์นะ แล้วถ้าเราเอาถ้าเรารู้จักเรียนรู้ที่อยู่กับสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจที่อยู่รอบตัวเรามันก็ทำให้เราไม่ทุกได้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะยังไม่ได้หายไปไหนเสียงดังก็ยังอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกบางทีเพื่อนบ้าน ก็ไม่จเป็นต้องขาจาวไปจากชีวิตของเราแม้เขาจะทำตัวไม่ร่ารับแต่ถ้าเราลองเป็นมิตรกับเขาดูเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เมือัอที่เราวางใจเป็นมิตรนะกับความคิดและอารมณ์ต่างๆเพื่อนบ้านที่ทำตัว น่าระอาแต่พอเราไปเป็นมิ่กับเขามีของขนมก็ไปให้เขาปีใหม่ตุจดจีนสงกรานแล้พบกว่าหลายคนนี่พฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยนะที่เคยเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านหรือที่เคยทิ้งของใส่ สนามหญ้าหน้าบ้านเราเปลี่ยนไปเลยมีคนเขาเคยทดลองทำดูไมไ่ทดลองทำก็ตั้งใจทำหันมามีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนบ้านได้บอกว่าเพื่อนบ้านก็ทำตัวดีขึ้นไม่ต้องขับสายไล่สงไม่ต้องไปสู้รบตบมือกันรู้จักอยู่ร่วมกันนะ ด้วยความเป็นมิตรในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไปรู้สึกลบกับมันไปรวมรันพันตูกับมันอยากขับสายไล่ส่งมันมันยิ่งดื้อด้านแต่พอเราไม่มีอาการแบบนั้นจะอยู่ก็อยู่ไปจนไม่ว่าอะไรพอเราวางใจแบบนี้ มันก็ค่อยๆล่าถอยไปนะอารมณ์ความคิดมันก็เป็นอย่างนี้เาะฉะน้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติลองสอบสอบถามหรือตรวจสอบใครควรดูว่าเนี่ยลึกๆในใจเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอยากจะกำจัดนะความคิดและอารมณ์ต่างๆออกไปจากใจหรือเปล่า ลองใช้สตินะตรวจสอบก็ จ, จะพบว่าเนี่ยมันมีความคิดนี้มันซุกซ่อนอยู่ที่มันคอยบงการอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติของเราถ้าเห็นก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันก็แค่รู้ว่ามันมีอยู่เพียงแค่มันถูกรู้ถูกเห็นมันก็คลายพิษสงลงแล้ว มันก็จะไม่มาบงการจิตใจของเราตอบไปแม้กระทั่งความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆหายไปหรืออยากจะกำจัดสิ่งต่างๆความอยากแบบนีเ้เราก็ไม่ควรจะอยากกำจัดให้มันหายไปจากใจเหมอ น, นันอย่าไปอยากซ้อนอยากก็แค่รับรู้มันเฉยๆแล้วก็รู้วเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็ค่อยลาถอยไป